อันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่หกเนาะที่เราได้ได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเราก็คงเห็นผลว่าพอเราทําต่อเนื่องแล้วก็สติ ก, กำลังมันก็ดีขึ้นอความง่วงก็ลดลงความฟุ้งซ่านมันก็มีนะแต่ก็มันก็รู้ทันมันได้บ่อยขึ้นความหลงต่างๆมันก็ยังมี มันก็ไม่ใช่ว่าจะหมดไปแต่ทีเดียวแต่มันก็สิ่งที่เราจะดะูคือใจเรามันเป็นกลางกับมันมากขึ้นนะมันไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติแล้วมันจะไม่มีกเกเรไม่มีความรู้สึกไม่มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคเนะมันมีแต่เราไม่เอากนะารพาวนาคือมนะีมีแล้วก็รู้รู้แล้วก็วางนะ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 งานส่วนตัวท่านเสร็จแล้วแต่ท่านก็ไม่นิ่งเฉยนะเพราะงานทางธรรมที่จะต้องเผยแพร่ที่ต้องช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากอยู่เนี่ยก็ยังต้องทําอยู่นี่คือมันมีงานสองส่วนนะงานส่วนตัวงานเฉพาะตนของเราอีกส่วนหนึ่งก็คืองานสงเคราะห์โลกหรือว่าช่วยคนอื่นนซึ่งมันก็ต้อง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 ฝึกหัดจิตใจของเราอยู่เสมอนะจะทําอะไรก็ถือว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจนะตลอดเวลานะจะทําอะไรก็เพื่อลดละกิเลสในจิตใจนะไม่ฟอกปูนอัตราตัวตนให้มันใหญ่มันถ้ามันใหญ่แล้วมันก็จะมาลดมาเลิกเนี่ยมันก็มันก็เป็นงานที่ยากเนาะนะเหมือนเราเหมือนกับคล้ายเสื้อผ้านะเรารู้จักเ็ดใส่นะ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 ในแต่ละวันมันก็เจอกิเลสมาปนเปื้อนเยอะมันก็เลยสกรปรกนะเลยต้องมาทําความสะอาดนะจะว่าแบบนี้ก็ถูกเหมือนกันนะหรือจะว่าไปอีกอย่างนึ่งนะในแบบเซนนะบอกอย่างท่านเวดางออท่านบอกว่าท่านบอกตอนแรกมีคนบอกว่านะบอกว่ากายเราเหมือนกับต้นโพกิตเหมือนกับกระจกใส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 จิตใจมันคือกระจกที่ต้องมีภาระหน้าที่ที่ต้องคอยผัดกวาดเช็ดถูดูแลนะอันนี้คือถ้าเรามองเห็นอย่างแท้จริงว่าจิตมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะนั้นก็ไม่ต้องคอยรักษาไม่ต้องคอยดูแลปล่อยมันไปเลยนะแต่คาว่าปล่อยเลยในที่นี้ไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งคว้างนะประชชนคนธรรมดาบางทีปล่อยไปเลยคือ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 ของอาจารย์ใหญ่เป็นแบบไหนเราก็ต้องพ่าดูมันถึงจะเห็ น, นเห็นอวัยวะภายใ น, นมันค่อยเห็นเข้าไปจากเนื้อนหนังของเราเนะี่ยเราก็ข้างนอกเราก็เห็นเพียงแค่หนังเห็นเป็นรูปรักษ์ภายนอกแต่พอเราผ่าลงไปเราค่อยเห็นชั้นในลงไปจริงๆโอ้ร่างกายนี้เป็นแบบนี้เนาะ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 น่าเกลียดขยะขะแยง็งไม่ไม่เกี่ยวข้องเนาะนะแต่เราเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็เราเราถูกหลอกมาเสียเงนานเนาะหลอกให้รักนะเพราะรักรูปว่ามันจะต้องสวยว่ามันจะต้องรอว่ามันจะต้องคงทนถาวรแต่คือเราหลงแค่รูปภายนอกนี่เองนะเหมือนกับอาหารเหมือนกับผลิตภัณฑ์เนาะ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 อันนี้คือรูปถ้าเราเห็นความจริงมันนมันก็จะคลายความยึดมั่นคือมั่นไปได้แต่มันก็ไม่ใช่ที่จะละเป็นอุปทานง่ายๆหรอกเพราะว่าเราก็ยังมีความหลงผิดเชื่อว่ารูปนี้มันเป็นของเราเพราะเรารู้สึกตั้งแต่เราเกิดมาหรือเราจำความได้ว่ารูปนี้มันอยู่กับเรามาหลายสิบปีแล้วนะมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างพัฒนามาตั้งแต่เด็กถึงตอนนี้เนาะ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 ไม่สบายหรือมันแก่ขึ้นเนี่ยเพื่อเตือนให้เราดูนนะว่าเราจะยึดถือมันต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะต้องเผื่อใจไปแล้วนะ เ, ออเห็นไหมแต่ก่อนฉันเคยแข็งแรงฉันเคยสุขภาพดีฉันเคยเดินเหมืนข้องแคลวตอนนี้ฉันมาเตือนแล้วว่าฉันเดินไม่ค่อยไหวนะก้มงอไม่ค่อยได้เส้นสายยึด เผมเเผ้าก็เริ่มงอกตาก็เริ่มฟางเเข้ามาเตือนนะว่าจะพึ่งชั้นตลอดไม่ได้นะอ่าเวลาที่เธอจะพึ่งชั้นเน่น้อยลงไปทุกทีนะเ่เธอต้องเตรียมใจไปแล้วนะหรือไม่แน่นะวันนี้อาจจะดูยังพอใช้ได้แต่มันอาจจะพังโค้มไปเลยก็ได้นะเคือมัดอยู่ได้เขาส่งจดหมายมาเตือนเราน ะ, นะ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 มันจะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงเราได้ทําได้ยังนะเราทํามันมีได้ยังเราทํำจนทั่งมันมีมากพอที่จะพึ่งได้จริงได้ยังอันเนี้ยเนี่ยคือเราต้องตระหนักนะว่าสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้เนี่ยเราได้ทํามาแล้วหรือยังนะทำจนทั่งมันเกิดมีแล้วได้ยังหรือว่าทํำจนทั่งมันมีจนทั่งมากพอที่เป็นที่พึ่ง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 สิ่งต่างๆเนี่ยเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราไปด้วยอันนี้คือทําทั้งหน้าที่ส่วนตัวทำหน้าที่ต่อคนอื่นเหมือนเราทําหน้าที่ส่วนตัวดีเนาะจิตใจเราล่มเย็นจิตใจมันสงบเนี่ยคนอยู่ใกล้คิดเขาก็ได้พลอยสงบพลอยล่มเย็นตามไปด้วยแต่ถ้าใจเราร้อนนะคนอยู่ใกล้เขาก็เขาก็กลัว หรือว่าเขาก็ร้อนเขาก็ดนตามไปด้วยเนี่ยการแค่เราฝึกใจตัวเองนะให้สงบให้เย็นเนี่ยก็ส่งผลให้คนที่อยู่ใกล้คิดเขาก็พอสงบร่มเย็นตามไปด้วยเนาะเหมือนกลางวันแดดร้อนๆเหมือนเนาะเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เออก็พอในอาศัยร่มเงาหรือว่าถ้าต้นใหญ่หญๆก็พอยเย็นไปเลยสบายไปเลยเนะี่ย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 ลำบากอยู่กับโลกไปนี้อีกกี่สิบปีนอ้อนี่ยนะพ่อแม่ก็ต้องทุกข์ยากลำบากกว่าจะเลี้ยงดูให้โตขึ้นมาจะผ่านอันตรพานผ่านยาเสพติดผ่านอะไรต่างๆจะผ่านได้สักแค่ไหนกันนอ้อเราเห็นเลยนะว่าการเกิดใหม่เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ความสุขนะมันเป็นเรื่องที่ต้องผจญกับความทุกข์สารพัดนะ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 แต่ปัญหาของชาวพุทธก็ไม่ใช่ต้องไปถามว่าทำไมฉันต้องเกิดมาน่ะแต่ปัญหาที่ควรจะตั้งคือว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเราจะทำอะไรก่อนที่มันจะตายนี่แหละน่ะเะฉะนั้นะก่อนที่จะตายเนี่ยมันเป็นช่วงที่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากช่วงเวลาที่เรามีชีวิตน่ะเราต้องถามตัวเองเราพร้อมที่จะตายจริงหรือเปล่าน่ะ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 แล้วเรามั่นใจไหมว่าเราสามารถจัดสรรหรือว่าก็ไม่ใช่เชิงจัดสรรนะเราได้เตรียมเตรียมคนรอบข้างเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เขาพร้อมที่จ ะ, ะจอมรับความตายของเราไห่หรือว่าเขาสามารถจัดการหลังจากที่เราตายไปแล้วอย่างไม่มีปัญหาได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็สามารถจัดสรรได้นะ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 หรือว่าตายไปแล้วจะจัดการเรื่องสรีระสังคารของท่านอย่างไรเนี่ยจัดการเรื่องกางตายอย่างไรซึ่งก็คือมันก็ทำให้ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะตายก่อนรัสังคารก็ปัญหาก็น้อยนะหลังจากที่ท่านรัสังคารแล้วก็ปัญหาน้อยนะอย่างไม่แต่หลวงพ่อคูณเองท่านก็ทำพิธีกรรมของท่านให้ให้ปัญหาในเรื่องหลังจากที่ท่านเสีย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 กนะ็จะเกิดสงครามกับแคว้นอื่นเพราะว่าแคว้นอื่นๆก็จะมาแย่งสตรีรักของเรานะเดี๋ยวจะเกิดสงครามกันอย่างพระอานนท์นี่ก็เหมือนกันนะตอนปรินิพานอายุร้อยยี่สิบปีนะพอท่านจะปรินิพานเนี่ยญาตสองฝั่งนะฝั่งบีฝั่งพระราชบิดากับพระราชมารดาณนะอยู่คนละฝั่งแม่น้ําโลหินีเนะี่ย เตรียมจะทำสงครามแย่งศพพระนรินทกันลนะพระนนทท่านรู้ด้วยญาณว่าเขาจะมาทำเขาแต่ละฝ่ายก็รักห่วงแหนท่านนะแต่เป็นการรักผิดนะรักที่รูปของท่าน <c oughs> แทนที่จะรักที่คุณธรรมของท่านแต่ท่านก็อนุเคราะห์ว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขอนที่เขาเปลี่ยนทิฏฐิดได้โดยง่ายท่านก็อาศัยว่า ตอนจะปรลิพนิพานก็เหาะขึ้นไปกลางอากาศนะแล้วก็สลายร่างเป็นฝุ่ยผงดวงทั้งสองฝ้าฝั่งแม่น้ําโลหินีให้เท่าๆกันจะได้ไม่เกิดปัญหาทําสงครามแย่งแย่งสริริพะของท่านอันนี้คือคนที่มีปัญญาก็เป็นการเตรียมตัวได้เนาะเป็นการเตรียมตัวได้อันนี้ถ้าเราเตรียมตัว ได้เราก็ดีแต่ถ้าบางครั้งมันฉุกเฉลิมหกมันไม่ทันจริงๆเนาะเราเตรียมไม่ได้ทั้งหมดก็ให้เราเตรียมใจเอานะให้เราวางใจเอาว่าเท่าที่มันจะได้นั่นแหละ <c oughs> มันได้ขนาดไหนก็เท่านั้นมันที่เหลือก็ปล่อยไปเรื่องตามยศถากรรม <c oughs> มันก็เราไม่สบายควบคุมอะไรได้ทั้งหมดนะก็ให้วางใจแบบนี้ฮะอ่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 เพราะสิ่งสำคัญที่สุดที่พระเจ้าท้าสอนคือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นถ้าเรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้เนี่ยอะไรก็ได้นะชีวิตเนี้ยจะอะไรก็ได้นะจะอยู่แบบไหนก็ได้จะตายแบบไหนก็ได้ตายแล้วจะไปแบบไหนก็ได้นะนะถ้าเรายอมรับแบบนี้ได้จริงเนะี่ยจะเกิดจิตที่ปล่อยวางนะนะแต่บางที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 บางมันไปเลยจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เออแต่เราอาจจะตั้งใจปรารถนาที่อยากจะให้ฝึกให้มันมากขึ้ น, น, นก็ใช่อยู่แต่บางทีความกลัวความกังวลของเราเนี่แหละกลัวว่าจะตายด้วยความทรมานตัวกลัวด้วยจะตายแล้วมันไม่สงบกลัวว่าสิ่งที่เราจัดการวางแผนไว้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรือกลัวว่าตายไปแล้วจะไป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 ดีตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายด้วยซ้ําเพราะบางทีชีวิตเรานอะมันปัญหามันไม่ใช่เพียงแค่ความตายเท่านั้นแต่บางทีคนเราก็หลงหลงเพราะว่าความสุขก็มีนะเช่นเราได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงเกียจิยศถ้าเราไม่รู้ทัน่ะเราก็เป็นคนหลงตัวลุ่นตนใช่ไหมก็ยิ่งพยองก็ปวดตัว ว่าตัวเองใหญ่ตัวเองแน่มันก็เป็นความหลงซึ่งความหลงแบบนี้บางทีน่าเกียดกว่าความตายด้วยซ้ำน่ากลัวกว่าความตายด้วยซ้ําอั้นนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยรับมือได้ทุกสถานนะไม่ว่าจะเป็นโลคกระท่ายบวกที่เข้ามาถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะหลมัวเมากับมันหรือโลกกระฝ่ายลบที่มันเข้ามานินทาสูญเสีย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 เนะี่ยเราก็ต้องอันนั้นในทางในในการที่เราจะฝึกตนเนาะบางทีอันนึงเลีเราได้ยินได้ฟังนะในเรื่องของชีวิตและความตายในเรื่องของการฝึกตนนี่คือเรื่องการได้ยินได้ฟังอีกส่วนหนึ่งก็ทำให้เราได้คิดนะทำให้เราได้คิดตามทาให้เราได้ทบทวนชีวิต ทำให้เราได้คิดถึงเป้าหมายของชีวิตของเราแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องเอามาทำนะทำให้มันเกิดเกิดเป็นมรรคเป็นผลในชีวิตของเราให้ได้นะที่หลวงพ่อเทียนท่านเปรียบเทียบง่งายๆนะท่านเปรียบเทียบเหมือนกับข้าวนะข้าวเปลือกมันดีไหมมันก็ดีนะแต่มันกินได้ไหมยังกินไม่ได้ เอาเข้าวเปลือกมาสีละเป็นข้าวสารก็ดีไม่มีข้าวสารก็อุ่นใจแต่ก็ยังกินไม่ได้เหมือนกันนะต้องเอามาเป็นข้าวนึ่งข้าวหุงนะให้มันร้อนนะให้มันสุกอันนั้นแหละข้าวนึ่งข้าวหุงค่อยเอามากินได้จริงๆริงอันนั้นท่างก็เปรียบเทียบเหมือนนะบางทีความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยเปรียบเสมือนกับข้าวสารนะ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 ออกไปความดุดออกไปความวางไปเนี่ยความมิมุตเนี่ยคือเราเอาข้าวมากินนะเอาข้าวมากินเจนทั่งมันเกิดเป็นพลังงานรเราเลี้ยงชีวิตของเราจิตใจก็เหมือนกันเนี่ยเราต้องเราเอาศัยธรรมะเนี่ยทั้งส่วนของการได้ยินได้ฟังส่วนของการพินิจพิจรารณารวมทั้งส่วนการที่เราเอามาทำนะในการภาวนาเนี่ยนะ ภาวนาเยอะๆไปมันก็จะค่อยๆเกิดผลเมื่อเรากินข้าวแนละ้วก็กินข้าวต้องว่าด่ายเม็ดนะกว่าเราจะอิ่มในแต่ละมือ้อภาวนาก็เหมือนกันก็ต้องเหมือนสะสมชั่วโมงไปนะสะสมความรู้สึกตัวสะสมสติเข้าไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราก็พยายามใส่ใจรู้ตัวบ่อยๆเนะี่ยมันก็จะไม่ฟีนะบางทีเราภาวนานะถ้าเร า, าภาวนาไปคิดไปนะ หลงไม่รู้ตัวมันก็ภาวนาพรีๆนะก็ได้แต่รูปแบบแต่ไม่ได้ตัวสตินะเราขยันเดินขยันนั่งขยันหายใจนะขยันสํารวมภายนอกแต่ไม่รู้ทันนะความรู้สึกไม่รู้ทันจิตใจเนะี่ยมันก็ภาวนาฟีนะได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ได้ประโยชน์น้อยนะแต่ถ้าเรา คอยรู้สึกตัวแต่ไม่ใช่แบบคอยแบบตั้งใจเกินไปนะคอยสังเกตมันบ่อยๆระลึกบ่อยๆคอยรู้แล้วก็วางแล้วก็รู้ใหม่ไปเรื่อยๆนะมันได้ประโยชน์นะมันได้ประโยชน์เราก็ต้องสะสมเอาเนะสาะสะสมแล้วก็ต้องเอาไปทำต่อาบางที6วันนี้7วันนี้มันก็ยังไม่เพียงพอทั้งหมดนะแต่มันก็คงเป็นคล้าย เป็นแรงจูงใจเนาะให้เราเอาไปทําต่อนะเพราะว่าให้เราถือว่าเราทําทั้งชีวิตนั่นแหละนะจะได้อะไรก็ช่างหัวมันนะแต่ตมาก็คิดว่าเออุทิศทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อการภาวนาเนา ะ, น ะ, นะชีวิตก่อนนั้นนั้นเราก็ไม่รู้เราดงมา ก, กี่พบกี่ชาติเคยภาวานามากในลักษณะไหนเราก็ไม่รู้อะไะนะเอแต่ชีวิตนี้มันก็คงไม่นานสักกี่สิบปีหรอก เอาชีวิตนี้เพื่อการภาวนาเอาเถอะนะคนเขาเอาชีวิตไปทําอย่างอื่นก็ไม่เห็นจะอะไรเนาะไม่เห็นเอาไปได้จริงๆเนาะมีเงินเป็นหลายร้อยล้านพันล้านก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้มีที่ดินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นไร่ก็เอาไปไม่ได้สักทีนะแต่บุญกุศลการภาวนานี้มันถ้า มันจบก็ดีนะไม่จบก็คงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้เอาไปทําต่อนะมาก็คิดอย่างนี้นะเออคิดว่าชีวิตนี้มันก็อาจจะทําแบบนี้ก็ญาติโยมเองก็ถ้าคิดแบบนี้บ้างก็ดีนะแ ต, แต่ก็อาจจะทําคนละแบบเนาะพวกเราก็อาจจะไม่ได้มาบวชแบบนี้แต่ถ้าจิตก็เป็นแบบนีนะ้ก็ถือว่าจิตเป็นพระเหมือนกันนะบางที รูปแบบภายนอกไม่ได้เป็นพระไม่ได้โคนหัวไม่ได้บวชชีนะแต่ถ้าจิตเรานะคุณคุณคิดหรือว่าทำในเรื่องที่ดีในเรื่องที่เป็นการรู้สึกตัวฝึกนะใจอยู่เสมอเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นพระนะเป็นพระโดยใจนะไม่ใช่เป็นพระโดยรูปรักษณ์ภายนอกซึ่งตรงเนี้มีค่ามากกว่าเป็น เป็นพระหรือเป็นนักบวดในรูปแบบด้วยซ้ำนะถ้าเราทําแบบนี้นยิ่งดนะียิ่งเป็นคารวาสยิ่งภาวนาไปด้วยเนะี่ยมันยิ่งเป็นเครื่องคุ้มครองใจหรือว่าทําให้เรามีดักนะความทุกข์ความโกรธความหลงก็จะได้ลดร้อยลงไปแล้วก็ยิ่งเราเกี่ยวข้องกับคนหลายคนเนะี่ยเราก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เขาสงบ ให้เขาเย็นให้เขาเบาใจได้ได้เยอะได้นะนะเราได้ทำหน้าที่ของเราทั้งต่อตัวเราเองนะก็ต่อคนอื่นนะไปพร้อมๆกันไปเลยนะีนะเราให้เราทำหน้าที่ตรงนี้เนาะทนมาก็เชื่อว่าพวกเราในที่นี้ทุกท่านก็คงตั้งใจในแนวนี้อยู่แล้วแหละนะแต่เพียงแต่ว่าให้ความตั้งใจนะมันมันม่นคงนะนะอย่าให้ความตั้งใจมัน มันตั้งใจวันนี้แล้วก็วันหลังก็ลืมวันหลังก็ล้มเหมือนนะอแต่ก็ถ้ามันล้มโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วนึกตั้งเม่ไรก็ตั้งให้มันแน่นขึ้นนะเหมือนกับบางทีเสาดักปักขี้เรนนะบางทีมันงอนแ ง, นงแน่นคอนแคนมันจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แต่ไม่เป็นไรเราตอกมันลึกลงไปนะฝังไปนึกเรื่อยๆนะ มันจะเป็นเรนก็เรนแต่เรนลึกลงไปมันต้องแน่นขึ้ น, นเรื่อยๆนะจิตใจของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วจะเกิด อ, อะไรก็แล้วแต่ก็ต่อลงไปมันลึกๆนะฝังให้มันแน่นๆนะเอาเนี่ยแหละเอาความตั้งใจแล้วก็เอาความเพียร น, นะเอาความฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวที่พิสูจน์นะว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วในชีวิตนี้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 ยังไม่ได้ทําอันนี้เลยยังไม่ได้ทํานั้นเลยหรือว่ามันทํายังไม่ดีเลยนะห่วงหน้าเพาวงหวงนะังเนี่ยมันก็จะตายไม่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้ทําเต็มที่นะ่นะอะไรจะเกิดขึ้นมาเราจะวางใจได้ง่ายนะเหมือนเราบางคนเป็นหมอเป็นอะไรเนะี่ยเหมือนเราทําหน้าที่เรารักษาเขาเต็มที่ดีที่สุดแล้วนะพอถึงที่สุดแล้วมันรักษาไม่ได้เออเราก็จะมันก็จะวางใจได้ง่ายนะ บางแผได้ง่ายกว่าบางทีอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําอันนั้นก็ยังไม่ได้ทําอ้อไปละมันเหมือนเสียดายนิดๆแต่บางทีเหตุการณ์ภายนอกกับคนอื่นบางทีเราก็มีหลายเหตุปจนะัจจัยเนาะที่เราทําไม่ได้แต่ในชีวิตของเราเองแหละให้เราลองดีไซน์ชีวิตของเราเองนะให้มันเต็มที่นะทําให้มันเต็มที่นะแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนเคร่งเครียดจริงจังเกินไปนะนะ เราก็ทำเต็มที่แต่แบบทำแบบสบายสบายนะทำแบบมีความสุขทำแบบพอใจในการกระทำของเราแต่บางทีเราอยู่กับทางโลกบางทีมันก็มีคนไม่เข้าใจมาปฏิบัติทำทำไมมาวัดทำไมเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะมาแล้วได้ประโยชน์อะไรเมือก็จะมีคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะปล่อย มายุยงมาพูดแซวมาอะไรเนาะเราก็อย่าไปคุยเฟยอย่าไปหวั่นไหวกับเขามองเป็นเสียงนกเสียงกามองแบบสงสารเขาที่เขายังไม่เข้าใจนะก็ไม่โกรธไม่เกลียดอะไรนะก็มองแบบสงสารมองแบบเออถ้าถึงโอกาสเนี่ยเราก็จะบอกเขาจะแนะนำเขาอะไรคนระับมองแบบนี้นก็มันก็จะดีอย่าไปมองด้วยความโกรธความไม่พอใจ ชีวิตใครก็ชีวิตมันกรรมใครกรรมมันนะกรรมของเราเราก็ต้องทําเองกรรมของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ช่วยเขาบ้างแต่ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะไม่ใช่ช่วยจนกระทังตัวเองก็ทุกนะหรือตัวเองก็เครียดนะแต่จริงการช่วยแบบไม่ทุกขก็ทําได้นะก็ทำได้นะบางย่างช่วยแบบไม่ทุกนะหรือบางทีไม่ช่วยแต่ก็ไม่ทุกขก็ได้นะบางทีก็ต้องมองเป็นเรื่อง วิบากกรรมของเขาบางทีเราก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องวางะจะไปยื้อมากก็เหมือนคนจมน้าไปช่วยคนจมน้ำนะก็ตายกันทั้งคู่บางทีเขาจมน้ำดึกต้องวิ่ไกลเราไปไม่ไหวก็วต้องปล่อยเขานะวางใจเอาทาเต็มที่แล้วก็ได้แค่นี้นะนักก็หวังว่าพวกเราก็คงได้ได้พินิตพิจารณาแล้วก็คงจะได้เอาไปทำต่อ ในเวลาที่เหลือในชีวิตนี้ของเราเนาะทำให้มันเต็มที่ทำให้มันถึงที่สุดแต่ได้ขนาดไหนก็ก็วางใจยอมรับความจริงด้วย